การปฏิบัติต้องอาศัยความอดทนอุปกรณ์เครื่องปฏิบัติก็เป็นของลำบากอยู่ต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นต้องทาเองให้มันเกิดมาเองเป็นเองละทิ้งความคิดทั้งหมดนักปริยัตชอบสงสัยเช่นเวลานั่งสมาธิ ถ้าจิตสงบปั๊บเอมันเป็นปฐมฌานแล้วกระมังชอบคิดอย่างนี้พอนึกอย่างนี้จิตถอนเลยถอนหมดเลยเดี๋ยวก็นึกว่าเป็นทุติยฌานแล้วกระมังอย่าเอามาคิดพวกนี้มันไม่มีป้ายบอกมันคนละอย่างไม่มีป้ายบอกว่านี่ทางเข้าวัดหนองปลาพงมีได้อ่านอย่างนั้นมันไม่บอก มีแต่พวกเกจิอาจารย์มาเขียนไว้ว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทธตฌานมาเขียนไว้ทางนอกถ้าจิตเราเข้าไปสงบถึงนั้นแล้วไม่รู้หรอกรู้อยู่แต่ว่ามันไม่เหมือนปริยัติที่เราเรียนถ้าผู้เรียนปริยัติแล้วชอบกรรมเข้าไปด้วยชอบนั่งคอยสังเกตว่าเอเป็นอย่างไรมันเป็นปฐมฌานแล้วหรือยัง นี่มันจะถอนออกหมดแล้วไม่ได้ความทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะมันอยากพอตันหาเกิดมันจะมีอะไรมันก็ถอนออกพร้อมกันนี่แหละเราทั้งหลายต้องทิ้งความคิดความสงสัยให้หมดให้เอาจิตกับกายวาจาล้วนๆเข้าปฏิบัติดูอาการของจิตอย่าแบกคมภีร์เข้าไปด้วยไม่มีคำภีร์ในนั้นขืนแบกเข้าไปมันเสียหมด เพราะในคมภีไม่มีสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงผู้ที่เรียนมากๆรู้มากๆจึงไม่ค่อยสําเร็จเพราะมาติดตรงนี้ความจริงแล้วเรื่องจิตใจอย่าไปวัดออกมาทางนอกมันจะสงบก็ให้มันสงบไปความสงบถึงที่สุดมันมีอยู่ปริยัติของอัตมามันน้อยเคยเล่าให้มหาอามรฟัง เมื่อกราวปฏิบัติในพรรษาที่สามนั้นมีความสงสัยอยู่ว่าสมาธิเป็นอย่างไรหนอคิดหาไปนั่งสมาธิไปจิตยิ่งฟุง้งยิ่งคิดมากเวลาไม่นั่งก็อ ย, อยังชั่วแม่มันยากจริงๆถึงยากก็ทำไม่หยุดทำอยู่อย่างนั้นถ้าอยู่เฉยๆแล้วสบายเมื่อตั้งใจว่าจะทำให้จิตเป็นหนึ่งยิ่งเอาใหญ่มันยังไงกัน ทำไมจึงเป็นอย่างนี้ต่อมาจึงคิดได้ว่ามันคงเหมือนลมหายใจเรานี้กระมังถ้าว่าจะตั้งให้หายใจน้อยหายใจใหญ่หรือให้มันพอดีดูมันยากมากแต่เวลาเดินอยู่ไม่รู้ว่าหายใจเข้าออกตอนไหนในเวลานั้นดูมันสบายแท้จึงรู้เรื่องว่าอ๋ออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เวลาเราเดินไปตามปกติ ไม่ได้กำหนดลมหายใจมีใครเคยเป็นทุกข์ถึงลมหายใจไหมไม่เคยมันสบายจริงๆถ้าจะไป น, นั่งตั้งใจเอาให้มันสงบมันก็เลยเป็นอุปาทานยึดใส่ตั้งใส่หายใจสั้นๆยาวๆเลยไม่เป็นอันกำหนดจิตเกิดมีทุกข์ยิ่งกว่าเก่าเพราะอะไรเพราะความตั้งใจของเรากลายเป็นอุปาทานเข้าไปยึดเลยไม่รู้เรื่องมันลำบาก เพราะเราเอาความอยากเข้าไปด้วย